มันคื่นลวงไปลวงไปท่านแทงไห่ก็ลวงไปด้วยบุญท้ามแล้ ว, ว่าได้ลวงไปใสอยู่กับยดกับใจบาปถ้ามแล้วก็ววไปลวงไปใสอยู่กับยดกับใจ ายจะครบจะศาส์เกิดจะครบจะศาสต์ก็น้จ่จิตน้าใจไปอยู่ตาบเถาข่าสู้พันิพานบาปก็นั่งไปหอดดาบเถาข่าสู้พันิพานน้ำใจว่อะไรน้ำขันทวิบากน้ำท่ำว่าอะไรก็น้ำขันทวิบากคูประมกขข้าราชกคือพระองค์เจ้าเมื่อน้ำจิตน้ำใจเพิ่ม่อะไรแต่มันทางน้ำขันทวิบาก พระองคเจ่าเป็นเวรร่างยางเขาพิษเป็นเวรจูงวัวไปกินน้มคุณพานอนไปตักนามมา้ามากแท่นที่ว้สที่ไปเที่ยวเดียวได้โลดย่างใส่อุบายตะคิดตะขวงโลเพราะเวรจู๋งว่วไปกินน้มคุณตายนั้นเท่ะ เดี๋ยวมันจะใสดอกพอไปเขาไปใกล้แท้ใสเตีย้ยนนี่เกี่ยนหาลอยเล่มบทเกี่ยนหาลอยเล่มบทหน้ามาแล้วรงคงจะขุณคุณนหมือไมุ่ณก็ต้องไปให้ถึงพอไปถึงแน้วน้าก็ใาสาสะอาดเป็นที่อัศจรรย์ของพระอานุน นั่นเพราะเป็นเวรเป็นภัยในชาติคนก่อนในพระคนก่อนแต่มันไม่ถึงธรรมะของพระองค์เพราะธรรมะของพระองค์สูงไปกว่านั้นแล้วมันก็มาถึงแต่กายเท่านั้นพราะโมฆนาของมันกันมันไม่ถึงใจของท่านมันก็มาถึงแต่ขันธิบา รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณของพระอรหันต์มีอยู่หรือวิญญาณของพระอรหันต์มีล้วนๆไม่มีกิเลสสิงเป็นวิญญาณขันอยู่ใต้อำนาจอนินจังเหมือนกัน พระวีณาตาพระวีณาหูพระวีณาจมูกพระวนณาลิ้นพระวีณากายพระวีณนใจพระสูตตาพระสูตรหูพระสูตรจมูกพระสูตรลิ้นพระสูตรกายพระสูต ร, ตรตใ จ, พ ร, จพระประมัตาพระปรมาหู พระธรรมพระประมาจมูกพระป ร, ะป ร, ะประมาัาลินพระประมากายพระประมาใจก็อธิบายอันเดียวกันแต่อธิบายลึกกว่ากันเท่านั้นพระวินัยก็อธิบายตื้นพระสูตรก็อธิบายขนาดกลางเป็นภุคาราธิฐานถ้าปรมาตมเป็นธรรม า, าราธิฐานล้วนๆแตก็าปาราลดถึงตาหูจมูกกายใจเหมือนกัน ตาก็เป็นโลกหูก็เป็นโลกจมูกก็เป็นโลกลิ้นก็เป็นโลกกายก็เป็นโลกธรรมารมณ์ทั้งหลายก็เป็นโลกพราสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในอารมณ์ทั้งหกท่านผู้คนไปแล้วก็รู้เท่าอารมณ์ทั้งหก ลงก็หลงอารมณ์ทั้งหกหลงก็ลงตาลงหูหลงจมูกลงลิ้นหลงกายหลงใจเมื่อลงตาลงจมูกหลงจมูกหลงลิ้นหลงกายหลงใจแล้วรูปเหลีองรูปเสียงขินรถโพธิพระธรรมาลมก็พอยเป็นไปตามกันเมื่อปฏิบัติก็ปฏิบัติอันนี้เมื่อรู้พ้นก็รู้พ้นอันนี้ที่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ย่นลงมาเป็นสองสักย่นลงมาเป็นพระเวนัยลูกพระววนัยนามย่นลงมาเป็นพระสูตรลูกพระสูตรนามย่นลงมาเป็นปรมัาทุกลปรมัาทนามทีนี่ย่นลงมาเป็นหนึ่งอีกสักทีนี่ ภาวินัยใจพระสูตรใจพระประมามัดใจทีนี้ยืนลงมาเป็นหนึ่งทีงนี้ใจอดีตใจอนาคตใจปัจจุบันที่ยังมีกิเลสอยู่ก็คือโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบัน โลกรวมลงเป็นหนึ่งอีกการนึกคิดถ้ายังมีกิเลสสิงมันก็เป็นเครื่องทัศนายจรของโลกถ้าการนึกคิดไปในทางดีก็จะเป็นมรรคเพราะผู้ยังเดินมรรคอยู่ ใจิตใจนึกไปในทางไม่ดีก็ตรงมันข้ามไม่ได้จัดเป็นมัสมัจแปลว่าปฏิบัติของจิตของใจผลแปลว่าผลของจิตของใจที่นี่มัจ ก, ก็ลงลงเป็นหนึ่งทีนี้ผลของใจก็ลงลงเป็นหนึ่งแต่มีสูงต่ํายิ่งหย่อนกว่ากันอีกเทดาปฏิมัจเโสดาปฏิผล อยู่กับใจสัธคธะคามิามัคสัคธะคามิผลสูงขึ้นไปแต่ก็อยู่กับใจอีกอนาคามิามัคอนากามิผลก็อยู่กับใจอีกแต่สูงขึ้นไปกว่ากันอีกอนนฮัตจะมัคอนนะัตจะผลก็ขึ้นอยู่กับใจแต่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกแต่เป็นผลขาดตอนไม่เชื่อมมาจากเตีตของจิตของใจ เมื่อลงใจตอนไหนก็ลงทำตอนนั้นๆหลงมีในตอนนั้นๆลงพระสูตรตอนนั้นๆลงพระปรมัติตย์ตอนนั้นๆเมื่อรู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าพระมีในตอนนั้นก็รู้เท่าพระสูตรตอนนั้นก็รู้เท่าพร ะ, พระปรมัติตตอนนั้นอีก พ้นโลกนี่นี่ก็คือใจพ้นโลกก็อันเดียวกันความมัดจี้คล้องอยู่ในโลกทั้งสามโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันโลกอดีตอะไรมาเป็นอดีตตาหูจมูกเลื่อนกายใจที่ล่วงไปแล้วโลกอนาคตตาหูจมูกเลื่อนกายใจที่ยังไม่มาถึงโลกปัจจุบันตาหูจมูกเลื่อนกายใจที่กําลังเป็นอยู่ ตาลบเป็นหกตาลบเป็นสามโลกอดีตคืออะไรคือกายวายกายใจที่ล่วงไปแล้วโลวกอนาคตกายวายกายใจที่ยังไม่มาถึงโลกปัจจุบันกายวายกายใจที่กาลังเป็นอยู่ว่าเป็นสามว่าเป็นสองโลกอดีตคืออะไรคือรูปนามที่ล่วงไปแล้ว โลกอนาคตคือรูปนามที่ยังไม่มาถึงโลกปัจจุบันคือรูปนามที่กําลังเป็นอยู่ว่าเป็นห้าโลกอดีตคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วโลกอนาคตคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังหน่มาถึง โลกปัจจุบันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่กําลังเป็นอยู่สิ่งเหล่านี้รวมพลอยู่ในกองอา น, นิจจังทีนี้อา น, นิจจังที่ล่วงไปแล้วอา น, นิจจังที่ยังไม่มาถึงอา น, นิจจังที่กําลังเป็นอยู่ทุกครั้งก็เหมือนกันอนัตตาก็เหมือนกัน เพราะโลกบรรจุเท่านี้นอกจากอื่นไม่มีอะไรจะมาบรรจุทีนี้นอกจากอนิจจังไม่มีอะไรจะมาบรรจุอยู่ที่โลกนอกจากทุกขังก็ไม่มีอันใรจะมาบรรจุอยู่ที่โลกนอกจากอนัตตาฝ่ายสังขารก็ไม่มีอนไรจะมาบรรจุอยู่ที่โลกโลกภายในคือตัวสัตว์ ตัวบุคคลที่สมมุติกันโลกภายนอกคือตัวสัตว์ตัวบุคคลอื่นซั้งเหล่านี้เป็นหน้าที่กรรมฐานเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหลังพ้นทุกข์ในสงสาร จะเข้าใจความหมายทางนั้น ถ, ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วปัญหาก็จะมากอุบายความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารจะมาจากประตูไหน ก็มาจากประตูที่พิจารณานเมืองว่าเห็นเป็นของไม่เที่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั่นเองเป็นแต่สักว่าดินน้ำไฟลมนั่นเองเป็นแต่สักว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเองเมื่อได้อยู่ในกํามือของท่านผู้ใดเกิดขึ้นมาแลว้วก็แปรปรวนแล้แตกสลายอย่างพึงภาย มีอุบายเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารอุบายอื่นไม่มีอีกจงพิจารณาเนือ ง, งให้ติดต่ออยู่เท่านั้นมีหนทางเดียวเพราะความหลงมันหลงอยู่เนือ ง, ง, งติดต่ออยู่ถ้าไม่พิจารณาเหล่านี้เนือ ง, งติดต่อมันก็ไม่มีการที่จะต่อสู้กันกับความหลงทีนี้ เพราะความหลงมันไม่ไม่ไม่มีกลางวันกลางคืนกิเลสมันไม่มีกลางวันกลางคืนมันไม่มีวันทิศวันเสาร์มันไม่จบเกษียณเมื่อกิเลสไม่มีวันทิศวันเสาร์ไม่จบเกษียณการพิจารณาก็ไม่ควรจบเกษียณเหมือนกันจะลวงหรือไม่ลวงก็ไม่ต้องตีตนตายก่อนไข้ผู้ที่หวังจะดำดินบินบนหรือแสดงนิสแสดงเดชนั่นะแสดงให้เห็นอยู่ว่าบารมียังอ่อนอยู่ ยังจะเอาเครื่องเหล่านั้นไปอวดให้คนนับถือเพื่ออามิสนั่นจอแสดงให้เห็นเป็นเครื่องทัดถินอยู่ในตัวแล้วเพื่อให้คนนับถือพระต้องการปราฏิหารปราฏิหารในประทานอาพุทธศาสนาก็มีอยู่สามประเภทอิทธิปาฏิหาริยะรีบเป็นอัศจรรย์ อาเทศนาปาติหาเรียดักใจเป็นอัติการอนุสาเสนีปาติหาเรียคำสอนเป็นอัติกันคำสอนเป็นอัติการกับกรรมและผลของกรรมนั้นมันเป็นปาติหารอยู่แล้วจะไปหาปาติหารที่ไหนมาีเป็นปาติหารที่ชงตัวอยู่ทุกทุกท่านทุกทุกตัวสัตว์ทุกทุ ก, ต, ทท ก, ทกตัวที่มีวิญญาณ กรรมและผลของกรรมเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วอิทธิปาฏิหาริย์พระโมคคลาก็มีอิทธิฤทธิดเดชเหมือนกันเตเวลาจะเข้าสู่พระินานเพราะเข้าสู่ดวยค้อนของเข า, าเนะอทินฐาปาฏิหาริยดักใจเป็นอธศการ ไม่สำคัญเท่าอนุสาสนีปาติหาริยะพระบรมศาสตราขอหันทัานทำห่ ม, หมผู้หงลงพ้นทุกข์ในวัฏจารสงสารอย่าไปห่วงปาติหารใดๆทั้งสิ้นอย่าไปห่วงฤทธิด์ดวงเดชในสองข้อข้างต้นจงเคารพอนุสาสนีปาติหาริยะเถิด เพราะจะเดินทางโค้กถู้หวังปาฏิหาริย์ต่างๆไปทางโคู่ไม่ตปง่ายหรอกอย่างง่ายก็พระสิยเมตตา ทีนี้ปาฏิหาริมันเป็นโลกีปาฏิหาริก็มีทีนี้ถ้าเทวทัตก็เป็นโลกีปาฏิหาริมพวกฤาษีก็เป็นโลกีปาฏิหาริมเช่นเขาลุยไฟได้อย่างนี้เราจะไปอัศจรรย์ทําไมพวกเราไม่ว่าแต่ว่าลุยไฟแล้นอนอยู่ในไฟไฟโลกไฟโกรธไฟหลง ไม่ว่าแต่ลุยไฟนอนอยู่ในไฟเพราะยังไม่พ้นทุกไฟราคะไฟ โ, ไฟโทสะไฟโมหะ <sk cautious noise> เพราะนอนอยู่ยในน้ำเหมือนกระบืออีกเหมือนกัน นามราคะน้มโทสะน้มโมหะลมพัดอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอีกเหมือนกันลมโลภลมโกรธลมหลงอารมณ์ของลมอารมณ์ นอนอยู่ในดินไม่มีกลาวันกลางคืนถึงจะทากุฏิอยู่ก็นอนอยู่ในดินก็เพราะธาตุดินเต็มตัวอยู่ผมผลในวันนังเลื่อนกระดูกมันก็นอนอยู่ในธาตุดินืละนอนอยู่ในธาตุน้าอีกด้วยธาตุไฟอีกด้วยธาตุลมอีกด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีแก่นสารก็มีแก่นสารแต่ทางที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เท่านั้นถ้าจะถือเป็นแก่นสารก็ต้องถือซะถ้าจะถือเป็นของจริงก็ถือซะการที่พิจนารนณานเมืองเห็นอย่างนั้นมันก็เป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาอยู่ในตัวมันก็เป็น มัด ก, กับในรอดทำให้แก้งอยู่ในตัวทีนี้ใบทีละเล็กลน้อย ที่จะนาอันใดอยากให้ชักก็ต้องตั้งกรรมฐานของตนไห้ให้ชักถ้ากรรมฐานของตนไม่ตั้งไห้มันก็ฟุ่งช้านมันเป็นมาานำลายไปซะเคยหูก็หัดปากแก้วเจ้าขาไม่รู้จักรวดด้วย เพราะไม่มีสถานีสถานีก็คือกรรมฐานเดิมที่เราตั้งไว้อย่าไปทิ้งเียงฉะนั้นอานาปานสติจึงมีพิษสานมากมายเราจะตั้งกิบหายใจเข้าเราจะตั้งกิดหายใจออก เราจับบันเทิงปิดหายใจเข้าเราจับบันเท th ิงปิดหายใจออกเราจับพิจนาเนืองเนืองในความไม่เที่ยงหายใจเข้าเราจะพิจารณาเนืงเนืองความไม่เที่ยงหายใจออกเราจะพิจารนาองเนืองซึ่งทำอันดับสนิทหายใจเข้าเราจะพิจนาเนืองเนืองซึ่งซึ่งทำอันดับสนิทหายใจออก เราจะส่งคืนเ น, อเนืองในลมหายใจเข้าเราจะส่งคืนเ น, อเนืองในลมหายใจออกเราจะบันเทิงเราจักทาจิตบันเทิงหายใจออกเราจะทําจิตบันเทิงหายใจเข้าเราจะทําจิตบันเทิงในนิโรธว่าเป็นทำอันละเอียด ไม่ประกอบด้วยตันหาในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกถ้าทิ้งกรรมาฐานเดิมก็ค่าค่าับว่าทิ้งเรือยังไม่ถึงฝั่งและทิ้งเรือกระโดดนี้จากเรือก็ไม่ไหม้ตายเท่านั้นมีลูกไม้อันเดียตายเท่านั้น ยังไม่ถึงสถานีก็กระโดดลดลงขาหักคอหักตายเราพี่เจนานาอันใดอยาเข้าใจว่าสิ่งนั้นอยู่ในอดีตอนาคต จิตใจของเรามีอยู่ในปัจจุบันเราก็เป็นเอาปัจจุบันเป็นผู้พิจารณาในสิ่งทั้งพวงก็มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่เราเอาจิตอดีตอนาคตมาเป็นเครื่องพิจารณาเราก็เอาจิตเอาทําในปัจจุบันเท่านั้นเป็นเครื่องภาวนาจะตั้งไว้ในกรรมฐานอันไหนก็เรียกแต่สะดวก เดี๋ยวก็พุทธโธบ้างเดี๋ยวก็อันนันบ้างเดี๋ยวก็อันนี้บ้างทํางานจับจับจดจดพุทธานุสติก็ดีธรรมานุสติก็ดีสังขานุสติก็ดีศีลานุสติก็ดีจาคานุสติก็ดีเทวานุสติก็ดี อุปสมานุสติกดีกายกะคตานุสติกดีอาณาปานาสติกดีมนานะสติกดีอนุสติสิมัส่งต่อถึงพระนิพพานในทางนั้นฉะนั้นจึงว่าสติสติอยู่เสมอเสมอเพราะให้มีสติอยู่ในกรรมฐานทุกๆ ก, กรรมฐานที่เราตังง้งให้ ถ้าสติตั้งมั่นปัญญาก็เกิดในที่สติด้วยสติไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดสติกับปัญญาใครเกิดก่อนก็เกิดพร้อมกันเช่นเรารับตากับมือ่นอันไหนเกิดก่อนก็เกิดพร้อมกัน ที่นี้เมื่อเกิดพร้อมกันกรรมและผลของกรรมก็เกิดพร้อมกันกิริยาที่นั่งก็เรียกว่ากรรมกายกรรมที่นั่งผลของนั่งอันเดียวกันกรรมและผลของกรรมก็เหตุัผลอันเดียวกัน กรรมที่สงสัยผลของกรรมก็สงสัยกรรมที่รู้แจ้งผลของกรรมก็รู้แจ้งกรรมที่ไม่เข้าใจผลของกรรมก็ไม่เข้าใจกรรมที่เข้าใจผลของกรรมก็เข้าใจมันสมคอกรกันเข้ากับเหตุผล ผลในโลกมันเป็นเหตุผลในทางอนิจจงเว้นเหตุผลของพระสวัสดาวันสกทาคามีอนาคามีเสียถึงแม้ว่าเหตุผลของ พระสาวาัสดิบาลกทาคามีนาคามีเป็นเหตุผลอยู่ในอำนาจอนิจจังก็ตามแต่ถ้าว่าเป็นอนิจจังที่จะก้าวหน้าไปสู่นิจจังคือพระนิพพาน นิมิตอื่นๆเวลาเ ด, ดินท้มเทที่ภาวนาเราต้องสันโดษในนิมิตนิมิตเดิมที่เราทำไวหวคือภาวนาหลักภาวนานิมิตแปลเครื่องหมายเมื่อเห็นเทวดามาก็แปลหมายเทวดาเมื่อเห็นเทวบุตรมาก็แปลหมายเทวบุตร เมื่อเห็นแสงสว่างมาก็ไปหมายแสงสว่างที่นี่มันเป็นหมาตาเหลืองเห็นไฟที่ไหนก็วิ่งใส่นี่มิแสงสว่าง แล้วก็ไปเหนี่ยวร่างมาให้เสียเวลานิดนิดนิดใสของผมมันจะเป็นพอเห็นนิมิตอันอันไหนมาก็าตามนิมิตใกล้นิมิตใกล้มาข้อตามไม่ลืมอนิจจังเลยมันเป็นเองมันเกิดขึ้นเองมันแปรปวนเองมันดับเองเราไม่ได้สมมุติให้มันเกิดขึ้นเราไม่ได้สมมติให้มันแปรปวน เราไม่ได้สมมติให้มันดับไปมันเป็นเองมันมีลิงมีลายเท่านั้นมันก็มาเราก็เห็นเท่านั้นจะไปเห็นอื่นอีกก็ไม่ได้แต่เราจะไปยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องเราจะทวนกระแสรเราต่างหากอันนี้ ตาก็มีเป็นจริงตามตาหูก็มีเป็นจริงตามหูจมูกเล่นกเหมือนกันกายกเหมือนกันใจกเหมือนกันยืนเดินนั่งนอนนึกคิดกเหมือนกันก็เป็นจริงตามยืนเดินนั่งนอนนึกคิดสิ่งเหล่านี้อยู่แต้อนนานาจอันนี้จังทางนั้น ผู้ใดพิจารณาอนิจจังบ่อยๆทุกครั้งบ่อยๆอนัตตาบ่อยๆก็คือผู้นั้นต่อสู้กับอวิชชาบ่อยๆนั่นเองอวิชชาความโง่ความเขาความหลงจะพาให้ก่อชาติก่อภพมันผู้นั้นจะเปิดประตูหนทางเบื่อนายคลายเมาในวัตตาสงสาร มันมีเท่านั้นทำปฏิบัติไม่มีมากหรอกถ้าปริยัตมันก็มากนันละเดี๋ยวจะเอาคัมภีร์นั่นมาอ่านหมดคืนก็ไม่หมดเดี๋ยจะเอาคัมภีร์นี่มาอ่านหมดคืนมันมันก็ไม่หมดเพราะท่านเทศอยู่สี่สิบห้าพรรษานี่ยไปรวมอุบายของเทศผู้นั่นบ้างรวมอุบายของเทศผู้นี้บ้างแล้วก็เอามารวมไว้ความจริงก็มีความหมายอันเดียวกัน มาให้บรรเท า, า, าทราคะทัสะโมหะจนถึงให้เหเงืเทแห้งหายไปเท่า น, นั้นจะเทศอุบายใดๆก็ตามป่านี่ลบชัดพระองค์ันไม่ไหวดอก เป็คือสงป่าอันนี้ลกชัดเราก็มีหนทางพอจะไปได้แต่ว่าป่าโรคป่าโกดลกรชัดนั่นเป็นของสาคัญพิกคุทั้งหลายน่ะช่างตัวนี้มันดื้อนักเขาใส่โซ่ตัวนไว้โซ่ตัวน อันนี้มันไม่สำคัญพรับบรมศาสดาเอาเหล็กมาตัดมันก็ขาดโซ่ตรวนกิเลสนั่นเป็นของลำบากนะพิกษูทั้งหลายจงเอาศีลสมาธิปัญญาให้กลมกลืนกันตัดซะ นามยอดเท่าก็ไม่สำคัญเท่าน้ามกิเลสอาวุธใดๆในโลกมาสังหารก็ไม่เท่ากิเลสมาสังหาร จ, จิตใจ ธรรมานมานคือปัญจขันธ์กิเลสมารมานคือกิเลสอภิสังขารมานมานคืออภิสังขารมัจจุมานมานคือเมลนะเทวปฏตมานมานคือเทวบุตรผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปัตถนาเป็นเทวบุตรก็ต้องเป็นมานชนิดหนึ่งไม่สามารถจะพ้นทุกข์ไปโดยด่วนในปัจจุบันในชาติ ขันธมานมานคือปันจขันธ์ลูกเวทนาสัญญาทั้งขนยนยานเงิญญาณไม่เที่ยงเดี๋ยวจะแตกจะสลายก่อนจะไม่ทันพ้นทุกในวัฏจาทรสงสารมันก็เป็นมารชนิดหนึ่งมัจจุมานก็เหมือนกันมารคือมา น, นะก็เหมือนกันท <c oughs> ี่ไหนที่เป็นมาร เธออย่ายินดีในมารสาลีบุรเอ๋ยอะไรเชื่อเป็นมารลูกเวทนาสัญญาสังขารเป็นมารดุจ ด, ดังหัวฝีเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลาย ร่วมหาใจเข้าครั้งหนึ่งครบแปดหมื่นสีพระธรรมะขันครบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อีกด้วยครบพระอริยสงฆ์ทุกๆพระมุขทีเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นอีกด้วยร่วมหาใจออกครั้งหนึ่งก็เหมือนกันถ้าจะพูดในทางศีลสมาธิ ป, ปัญญา ลมหายใจเข้าออกเป็นศีลสมาธิปัญญารอบหนึ่งลมหายใจเข้าก็เป็นศีลสมาธิปัญญารอบหนึ่งแล้วลมหายใจออกก็เป็นศีลสมาธิปัญญารอบหนึ่งเนี่ยเป็นสติรอบหนึ่งเป็นสัมปชัญญะรอบหนึ่งเป็นปัญญารอบหนึ่ง เป็นกายสังขารรอบหนึ่งเป็นเมเวทนาสังขารรอบหนึ่งเป็นยิ ต, ตาสังขารรอบหนึ่งเป็นธรปปรมสังขารรอบหนึ่งเป็นรูปธรรมงามธรรมรอบหนึ่งเป็นโลกรอบหนึ่งเป็นความเกิดก็แก่เก็บตายรอบหนึ่ง ถ้าเห็นปัจจุบันชัดทําไมถึงจะไม่เห็นอดีตอนาคตชัดทําไมถึงจะไปสงสัยอีกถ้ามึงาสงสัยอยู่การปฏิบัติมันก็ไม่ดุดถ้าไม่สงสัยมันก็ตั้งหน้าปฏิบัติได้สบายนี่อยู่ทุกการแล้ว เป็นเพียงว่าสติของเรามีอยู่ทุกการหรือไม่เท่านั้นปัญญาของเราจะเอามาพิจนารณาทุกการหรือไม่เท่านั้นพูดไปมากฟังไปมากท่าอะไรก็เป็นสังขารของเก่านั้วนี่ยเพรอะว่าจีสังขารเพราะจิตตะสังขารขาเป็นผู้ฟัง เมจีสังขารเป็นผู้พูดสวัสดสังขารเป็นผู้ได้ยินจิตตาสังขารเป็นผู้รู้สูงลงถึงนั่นของเก่านั่นเองรอบเก่านั่นเองไม่ใช่คําพูดใหม่คําพูดเก่าทั้งนั้นละหาใจเข้าหาใจออกเขาไม่ใช่เป็นรอบใหม่รอบเก่าที่เคยหายมาแล้วนั้นไม่ใช่อนิจจังใหม่อนิจจังเก่าที่เคย ประจำอยู่นั่นเองไม่ใช่ทุกใหม่ทุกเก่าที่เคยประจำสังขารจักรประจําจจโลกอยู่นั่นเองอันอื่นก็เหมือนกันหมดนดทีโรเกล่โหนามะความลักไม่มีในโลกเพราะโลกมันหงายให้เห็นอยู่แล้วเกิดแก่เก็บตายก็ไม่ได้รับเกิดขึ้นแปรเปลแล้วแต่สลายก็ไม่ได้รับ ดินน้ำไฟลงก็ไม่รีบรับอันนี้จังก็ไม่ได้รีบรับทุกขังก็ไม่ได้รีบรับอนัตตาอันที่ไม่ใช่สาวไม่ใช่บุคคลก็ไม่ได้รีบรับไปไหนเปิดเผยอยู่ไม่มีใครไปหวงอีกด้วยและไปอยู่ในวงแขนของใครด้วยและไม่ได้ยืมท่านผู้อื่นด้วยเขายืมบ้าง ขอยืมอนิจจังทุกขังอนัตตาไปภาวนาบ้างขอยืมพุทโธไปภาวนาบ้างขอยืมลมหายใจเข้าออกไปภาวนาบ้างขอยืมร่างกระดูกไปภาวนาบ้างขอยืมความตาไปภาวนาบ้างไม่ได้ยืมเลยนีอยู่ทุกการขอยืมใจไปพิจารณาบ้างไม่ได้ยืมเพราะใจเรามีอยู่ เดี๋ยวขอเวลาสักหน่อยขอยืมบ้างขอยืมใจบ้างขอยืมเดินขอยืมนั่งขอยืมนอนบ้างเพราะผมไม่มียืนเพราะผมไม่มีเดินเพราะผมไม่มีนั่งเพราะผมไม่มีนอนเพราะผมมัมีจิตเพราะผมมัมีใจผมขอยืมบ้างต่างก็มีอิสระอยู่ทุกๆ ท, ท่านในทางดี และทางทชั่วก็มีอิสระอีกเหมือนกันนม่นมีใครมากีดขวางของใครเขามา้าใครทำใครได้คุณเมรุนีแกพูดชั้นๆใครทำใครได้ทำดีก็เหมือนกันทำชั่วก็เหมือนกัน ไม่ถือว่าเป็นธรรมของเราถ้าเราถือว่าเป็นธรรมที่เรารู้เองเห็นเองเราก็ถ้าลงตัวจะละอุปท า, านไม่ได้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระบรมศาสดาพูดไปหมดแล้วไม่มีสิ่งสิ่งที่จะแทงเลยและปฏิบัติไปหมดแล้วและพ้นไปหมดแล้วไม่มีสิ่งที่จะแทง อันนี้แหละเป็นคำเทศของผมนี่แหละเป็นธรรมของผมถ้าพยืนยันอย่างนั้นผู้นั้นอักตันอยู่ผู้นั้นไม่รู้จากความหมายของข พ, พ, พระพุทธพระศาสดาด้วยพะตีความหมายพระศาสดายังไม่เทศจึงยืนยันอย่างนั้น สริงสำคัญนะเป็นการเทศของตัวจริงสําคัญตัวเอาเป็นผู้ฉลาดจะฉลาดพิบ้าอะไรตปอุจาระท่านก็บอกกินอาหารท่านก็บอกอืไปปัสสวะท่านก็บอกนั่งท่านก็บอกนอนท่านก็บอกจะเป็นสมบัติของเราอย่างไรก็สมบัติเศรษฐีทั้งนั้นเ พุทิวิหารจีวรมินเทบาเฉนาสนะและเพศัตว์จะมีน้อยมีมากก็เป็นสมบัติของเศรษฐีไม่ใช่สมบัติของเราสมบัติของพระบรมศาสดาเป็นเศรษฐีอย่างเต็มที่คือเศรษฐีไม่เกี่ยวกับอามิ t h เศรษฐีพระนิพพานเศรษฐีไม่มีกิเลสไม่ใช่เศรษฐีแข่งอามิ t h นั้นสคัญตัวเป็นธรรมะของอาจารย์นั้นธรรมะของอาจารย์นี่ก็ลืมอาจารย์สิทธัตถะที่นี่อาจารย์สิทธัตถะไม่ใช่พระอาจารย์ดอกหรือท่านยังไม่ได้เทศดอกหรือจึงมีผู้มาแซงอีกไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญยัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญยัติแล้วสมทานศึกษาในสิขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญยัติไว้ เราจะเป็นพระอรหันต์ในวันนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นก่อนของเราแล้วเป็นก่อนแล้วเราจะไปตกนรกวันนี้ก็พระพุทธเจ้าเคยตกก่อนเราแล้วเคยมาสอนเราแล้วเราจะไปเป็นสัตจีรฉานวันนี้ก็พระบรมศาสดาเคยเป็นมาก่อนแล้วเคยมาห้ามหันสังส่งสอนแล้วนี่ที่ไหนที่ท่านไม่ได้สั่งสอน ที่ไหนที่ท่านไม่ได้พูดที่ไหนที่ท่านไม่ได้เอ่ยไม่มีเลยจัด ท, ทั้งสัพยันชนงเกวระปริปุนังปริสุทธังพมจยังประกาศเสกิที่กัญญาณังมัจเจกัญญาณังปริโยสาและกัญญาณังเพละในเบื้องต้นทั้งกลางที่สุดโนริบูเนอัถฐพยันชนะสิ้นเชิงแล้วไม่มีบกพร่อง ถ้าหากว่าบกพร่องอยู่พระบรมศาสด า, า, าก็ไม่ยอมเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานเห็นว่าบริบูรณ์แล้วไม่มีส า, ศ า, ศารีริกาตุใดๆที่จะมาสอบแทรกตอนนี้พระส ถ, ถาคตยังไม่ได้พูดพระส ถ, ถาคตยังไม่ได้เห็นมันไม่มีเสียแล้วใครจะสําคัญตนไปขนาดไหนก็ไปเถิดเราไม่ยอมแล้วเรามาให้คะแนนอีกด้วย จะรู้วิเศษสักเพียงไหนจะพ่นเกเรสักเพียงไหนก็เรียกว่าเลมก้างตามรอยของพระบรมศาสดาท้งนั้นมืนคนก็มืน่นคำสอนมื่นอาจารย์ในพระพุทธศาสนามันจะเป็นอย่างนั้นก็มีความหมายอันเดียวกันตรงกัน ไม่ใช่อาจารหนึจะตั้งกฎหมายหนึ่งอาจารหนึ่งจะตั้งกฎหมายขึ้นอีกก็มีกฎข้ออันเดียวกันเพราะในอันเดียวกันทั้งนั้น <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าผู้แตกฉานหรือไม่แตกฉานผู้รู้แล้วไม่รู้ผู้ปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติเท่านั้นแต่คําสอนของพระบรมศาสด า, า, า, าบริบูรณ์เลวทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวท เมื่อคนอื่นไม่บริบูรณ์ก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่คำสอนของพระบรมศาสดาบริบูรณ์ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วพระศาสดาองค์ไหนๆก็มาลงเอยยันเดียวกัน ไม่ได้แย่งกันมาชี้ทางบอกเหมือนกันชี้ไปทางเดียวกันไม่ได้ชี้ไปคนละทิศไม่ได้แหวกแนวกันพระบรมศาสดาทุกๆพระองค์ไม่ได้แหวกแนวกัน ไม่ได้อวดแข่งดีกันไม่ได้แข่งบริษัทบริวารกันลงเอยกันเป็นทาอันเดียวกันจะอธิบายกว้างจะอธิบายแค่ก็ไม่ได้คัดคอกันก็มีความหมายอันเดียวกันผลลายรับ ก, ก็อันเดียวกันพระนิพพานก็อันเดียวกันมรรคผลก็อันเดียวกัน ไม่ใช่ว่ามรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะเป็นอย่างหนึ่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะเป็นอย่างหนึ่งศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะเป็นอย่างหนึ่งสิ่งและา ก, การปฏิบัติก็ไปไปอย่างหนึ่งก็อันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันผิดกันแต่สร้างบารมีน้อยมากเท่านั้นตามปัญญาธิกะศรทัทธาธิกะวิริยทิกะ เทั้งหลายเห็นกันอยู่นี้นะ่ะเวลาสิ้นลมปานไปแล้วก็ไปของใครของมันจะเขียนเห็นกันได้ก็ช่วยชีวิตเท่านั้นเมื่อสิ้นลมปาณเนี่ยก็ของใครของมันพระพุทธศาสตร์สนามไม่ใช่วิชาหลงโลก ไม่ใช่วิชาเพิ่มพูนความหลงของตัววิชาทำลายความหลงของตัววิชาต่อสู้กับความหลงของตัวไม่ใช่จะต่อสู้กับดินน้ำไฟลมหรือเวทนาทัญญาสังขานวิญญาณ สู้ก็ความหลงของตนที่ไปหลงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไปหลงดินน้ำไหลงต่างหากนั่นเป็นปัญหาที่จะไปต่อสู้ตาหูจมูกเื่นกายใจต่อสู้ก็ความหลง ตาหงมูกงินกายใจต่างหากไม่เป็นการจะไปต่อสู้อดีตอนาคตต่อสู้กับความไปหลงอดีตอนาคตต่างหากเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือเป็นลุมเพาะ เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นเรือเป็นเพลปัจจุบันนาจิตปัจจุบันนธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย มรรคเหตุเป็นมรรคผลด้วย เ, เ, เป็นที่รวบรวมมหาสติมหาปัญญาด้วยเป็นที่รวบรวมพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเป็นที่รวบรวมพระธรรมทั้งหลายด้วยเป็นที่รวบรวมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายด้วย เป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกอันเดียวกันจะตีโมหันไปไหนก็ไม่ลอดตีโมหันไปทางอื่นก็คือปัจจุบันเป็นผู้ตีจะฟังมากก็คือผู้ปัจจุบันเป็นผู้ฟังจะฟังน้อย ก, ก็คือผู้ปัจจุบันเป็นผู้ฟัง จะพูดมากปากหลายก็คือผู้ปัจจุบันมันผู้พูดเพราะอดีตร่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงจะหลงหรือไม่หลงก็ผู้ปัจจุบันเท่านั้นเพราะอดีตอนาคตร่วงมาร่วงไปแล้วและอนาคตที่ยังไม่มาถึง กฎหลงมีในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาก็มีในปัจจุบันก็ต่อองสู้กันเท่านั้นอนนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีในปัจจุบันผู้พิจารณาตามเป็นจริงก็มีในปัจจุบันเหมือนกัน ธาตที่แปดอินทรีย์สองอะไรหรืออะไรก็าตามเถิดหรือสังขารสังขอนกว่าตามก็มีความหมายอันเดียวกันอันนั้นที่นี่นี่ก็หมด คำจะพูดอีกไม่รู้จะพูดยังไงพูดอะไรก็พูดของเก่าไม่ใช่พูดของใหม่เขาเอาจิตเอาใจมาพูดผู้ฟังก็เอาจิตเอาใจมาฟังก็เรียกอาฟังของเก่ากันทั้งนั้นแ่ะ